เจริญพรพวกเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งก้าวหน้าขึ้นหรือยังใครเห็นว่าเดือนหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงบ้างยกมือสิก็ ม, มีเหมือนกันนะเปลี่ยนต้องถามละเอียดเลยดีขึ้นหรือเร็วลง <c oughs> ไม่เจอเดือนหนึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วสติแตกหมดตัวอย่างเงี้ยไม่ไหวนะพวกเราคารวะนะ มันมีจุดอ่อนจุดแข็งมันก็มีจุดอ่อนก็มีนะหลวงพ่อเป็นคราวาสมานานกว่าจะบวชนะอายุสี่สิบแปดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่มีภาระหมดภาระแล้วไม่มีเครื่องกังวลในโลกก็ออกบวชสบายให้เข้าใจชีวิตจิตใจของคราวาสมีเมื่อเดือนพฤศจิกายนะ ไปอินเดียเจอพระมหาเถระองค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านแจกซีดีหลวงพ่อด้วยนะแล้วท่านก็อ่านหนังสือด้วยทางองค์ทางเอกอะไรนี้อ่านท่านบอกว่าหลวงพ่อเทศเนะี่ยมันมีอัทรรตเพราะว่าอยู่กับชาวโลกมานานรู้จักชีวิตจิตใจของครวาสท่านบอกไม่เหมือนท่านนะนะพระส่วนมากนะ บวชมาตั้งแต่เป็นเนนไม่เคยรู้เลยว่าชาวบ้านเขาเป็นยังไงอยู่แต่ในวัดเวลาสอนนะมันไม่ถึงอกถึงใจท่านว่าอย่างนี้นะท่านฉลาดท่านวิเคราะห์ท่านบอกหลวงพ่อเป็นฆราวาสมานานแล้วเข้ามาอยู่ในวงของพระเอาธรรมะของพระเนี่ยไปเล่าบอกต่อให้ฆราวาสฟังฆราวาสถึงอกถึงใจ คารวะเราอะมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งของพวกเราก็คือถ้าเราภาวนาเป็นเรารู้หลักนะเรามีพักษามากเรากระทบอารมณ์มากนละ้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตลอดเวลาเลยในขณนะที่พระอยู่ในวัดอยู่ในป่านีสิ่งที่มากระทบเหมือนกันทุกวันเลยไปบินทบทัต ก็เดินอยู่เส้นนี้แหละเหมือนกันคนใส่บาตรก็คนเก่าอาหารที่ใส่ก็เหมือนเดิมนะเวลาฉันก็ฉันอย่างเก่าฉันเหมือนเดิมเวลาเดิมฉันเสร็จแล้วทํากิจวัตรเหมือนเดิมวันๆนะันอยู่ไม่ค่อยมีอะไรมากระทบสิ่งที่พอไม่จิตใจพอไม่มีอะไรมากระทบนะนันก็ภาวนาให้สงบง่ายสงบไปงั้นนั้นพระได้เปรียบเราในเรื่องของการทําสมาธิ ทำความสงบง่ายแต่พอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่เร็วกว่าครวญนี่กระทบอารมณ์มากเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะ mm. เกิดความหวั่นไหวขึ้นในใจ mm. เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นเราก็จะคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตในใจมันเท่ากับเราได้ภาวนาทั้งวันเจริญปัญญาทั้งวันนะ นี่เป็นจุดแข็งของเราก็คือถ้าเรารู้หลักของการเจริญปัญญาเนี่ยเราเจริญปัญญาได้มากนีส่วนพระเนี่ยชีวิตเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรมากระทบใจนะใจก็คงที่อยู่งันพระเนี่ยบางทีต้องไปดูกายให้มากนะดูจิตมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรให้ดูว่างๆนิ่งๆสงบสบายเย่างนี้ต้อมาดูกายฆราวาสนะีถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยจะมาทําสมาธิก่อนให้มาก แล้วมาเจริญปัญญาดูกายอะไรเงี้ยมันทำลำบากของเราเนี่ยสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในวันหนึ่งวันหนึ่งนับจำนวนไม่ท้วนหลวพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะนานมาแล้วเขาวิเคราะห์บอกว่าคนไทยสมัยอยุธยาเนี่ยตลอดชีวิตนะรับข้อมูลข่าวสารเท่ากับคนยุค ข, ของเราเนีวันเดียวเท่านั้นนะ หวันของเราเนี่ยนะมีข้อมูลมาหาศารเลยเข้ามาหาเราสมัยก่อนไม่ค่อยมีนานๆ น, น, นะปีละกาหาลงอะไรเงี้ยท่องกันไว้อย่างงี้นะปีนั้นมีอันนี้ปีนี้มีนั้นปีนู่นมีดาวหางอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยมีอะไรของเราเนะี่ผัสสะมันแรงข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยมากมายมหาศารใจเราก็กรเพิ่มตลอดเวลาเราภาวนาเป็นเราก็จะเห็นเลยจิตเดียวก็กรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็กรเพิ่มลง เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วภาวนาเป็นก็จะเห็นเลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงสิ่งที่เข้ามาสู่ใจของเรามีแต่ความไม่เที่ยงใจของเราที่เคยสุขก็สุขไปเดี๋ยวปไปดาวใจเคยทุกข์แล้วก็ทุกข์ไม่นานใจมีกุศลก็กุศลสั้นนิดเดียวใจเป็นอกุศลถ้าไม่ภาวนาอากุศลก็ยาวหน่อยถ้าภาวนาอากุศลก็สั้นแต่ว่าไม่ว่าอากุศลจะสั้นหรือยาวสุดท้ายก็ดับเหมือนกัน อย่างคนภาวนาไม่เป็น เ, นเวลาโกรธขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็หายโกรธมีมีเยอะแยะนะให้ตัวอย่างพวกเราสังเกตเห็นนะถึงเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยกิเลสก็ดับของมันเองนะเมื่อถึงเวลาของมันหมดกําลังของกิเลสหมดกําลังเหตุของกิเลสกิเลสก็ดับแต่ถ้าเราเป็นฆราวาสนะเราก็มาหัดดูของจริงในจิตใ น, ในใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย ทุกอย่างชั่วคราวเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอนัตตามันทนอยู่ไม่ได้นานหรอกสุขก็ชั่วคราวนะก็สลายตัวไปทุกขชั่วคราวหายไปแล้วสั่งไม่ได้สั่งให้สุขนานๆก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไอ้ที่ไม่อยากให้มามันก็มาไอ้ที่อยากให้ไปมันไม่ไปนะ เนี่ยบางทีมันสั่งอะไรไม่ได้ตรงที่สั่งอะไรไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากเขาเรียกว่าอนัตตาถ้าเราหันดูจิต ด, ดูใจเราเราจะเห็นอนิจจังกับอนัตตานี้ชัดเจนงั้นบางทีพระพุทธเจ้าสอนบางพระสูตรนะอนนี้นนในตําราไม่ได้บอกว่าทําไมท่านสอนแบบนั้นแต่ถ้าเราภาวนาสังเกตดูท่านสอนเรื่องขันห้าบางครั้งเนี่ยท่านสอนถึง รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังแล้วก็ขึ้นรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเลยกระโดดข้ามตัวทุกขังไปเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงนะีถ้าเรามาสังเกต จ, จิตใจของเราถ้าพวกดูจิตดูใจนะดูนามาทำเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยชัดทุกขังเนี่ยดูยากอ น, นิจจังเนี่ยแม้ใจเราเปลี่ยนวอกแบบวกแบๆบๆตลอดเวลา อนัตตาคือเราสั่งไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกขไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นี่เราจะเห็นตัวเนี้ชัดถ้าดูกายเนี่ยจะเห็นตัวทุกข์ชัดดูกายอะไรที่เป็นกายบ้างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นตัวกายดัยงั้นบางทีเวลาท่านสอนเรื่องกายนะท่านก็สอนเนตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของร้อนเป็นทุกข์นะเป็นภาระเป็นของไม่ดีนะ้าไปสอนอย่างนั้น เน้นไปที่ตัวทุกตัวถูกเบียดเบียนถูกแผดเผานะห้าเลาร้อนนะี่จะไปเน้นตัวทุกนะถ้าเราดูจิตดูใจนะเราจะเห็นชัดในตัวอนิจจังกับอนัตตานะอันนี้ในตำราไม่มีหรอกนะนี่หลวงพ่อสังเกตเอาเองว่าท่านสอนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจะสอนขัน5นะ้าให้ครบใจรักเลยก็มีบางคนท่านก็สอนไตรักครบบางคนก็ไม่ครบ แค่อ น, นิจจังขึ้นอนัตตาเนี่ยถ้าเราหัดดูจิตดูใจของเราเราจะเห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้เห็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะเห็นมากเข้ามากเข้าก็บรรลุมากกว่านิพพานได้เนี่ยเป็นจุดแข็งของพวกครวญนะเรามีจุดแข็งตรงที่ว่าเรามีผัสสะมากผัสสะมากเนี่ยถ้าจเจริญปัญญาเป็นโราจะเจริญปัญญาได้ทั้งวันหลวงพ่อพุทธานิโยนะท่านเคยสอนหลวงพ่อท่านบอกว่า เวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะมันจะเป็นอคุศลไปแต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติตามรู้ไปด้วยนะมันจะเกิดปัญญางนั้นฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวถ้ามีสติกำกับอยู่เนี่ยความฟุ้งซ่านจะแปลไปเกิดปัญญาในขณะที่นิ่งๆเฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะไม่มีปัญญาหรอกงั้นพวกเราเนี่ยมีสิ่งให้รู้ให้เห็นมากมายมหาศาล แล้วนาที่ของเราก็แค่ว่าเรามีสติคอยรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกรู้ทันเกิดกุศลเกิดลภโกรดหลงเกิดทางกุศ ล, ล, ล, ล, ลใดๆรู้ทันทีแรกก็รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นต่อไปเราก็รู้ทันเข้ามาถึงจิตถึงใจเราจะไปรู้อยู่ที่สภาวะแล้วก็จบนะแค่นั้นไม่พออย่างเห็นความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์แค่นี้ยังไม่พอนะมันตื้นไป ถ้าเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยเพอมีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบเนี่ยใจก็มีความหงุดหงิดลำคาญมีโทสะแทรกพอมีความสุขเกิดขึ้นใจไม่ชอบน่าราคะมันแทรกเนี่ยมีความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเนี่อรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมารู้แต่สภาวะผิวเผินภายนอกนะีไม่พอต้องรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจถ้าไม่ถึงจิตถึงใจนะครูบาอาจารย์สอนบอกไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติ การปฏิบัตินจะต้องถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติหลวงปู่เทพสอนอย่างนี้นะหลวงพูดุลก็สอนอย่างเดียวกันทําไมต้องเข้าถึงจิตถึงใจแล้วกิเลสเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตถ้าเราทิ้งจิตทิ้งใจไปนะทิ้งตัวสําคัญไปกุศลเกิดก็จะไม่รู้อกุศลเกิดก็ไม่รู้มรรคผลก็ไม่มีทางเกิดนั้นเราต้องภาวนานะาเข้ามาให้รู้เท่าทันถึงจิตถึงใจของเราให้ได้ นะตาหูจบูกเล่นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตเราเป็นยังไงนะจิตยินดีจิตยินไล่จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้เท่าทันจิตนะรู้เรื่อยไปเราจะเห็นเลยไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วก็ เ, เป็นของไม่เที่ยงจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเป็นของบังคับไม่ได้ดูซ้ําๆอย่างนี้แหละนี่เป็นจุดแข็งของฆรวาสที่พาวนาเป็นนะหมายถึงว่าเจริญปัญญาได้กระชับกระเฉงเลยทั้งวันเนี่ยเจริญปัญญา สักสาปีก่อนหลวงพ่อไปเข้าไปกราบครูบาอาจารย์องค์นึ่งพอออกจากท่านมานะไปเจอพระอุปถักต์ท่านตอนเย็นหลวงพ่อก็คุยกับพระอุปถักต์บอกว่าโอ้หลวงพ่อถามกรรมฐานใครๆนะไม่สะใจเท่าถามท่านบอกก็ได้หลวงปู่เทศตนะตอนนั้นหลวงปู่ดุลไม่อยู่แล้วหลวงปู่เทสนี่เก่งเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องฌานเรื่องสมาธินี่เก่งหมดเลย บอกว่าเรียนกรรมฐานนะถามองค์ไหนนะไม่ถึงอกถึงใจเหมือนถามหลวงปู่เทศนะท่านตอบได้ถึงใจเดี๋ยพระอุปัฏฐากก็บอกว่าตอนโยมออกมาแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าหาคนที่ถามกรรมฐานได้ถึงอกถึงใจเหมือนโยมคนที่หายากนะท่านก็ว่าอย่างนี้อาจารย์ก็ชมลูกศิษย์ลูกศิษย์ชมอาจารย์เสร็จแล้วพระอุปัฏฐากท่านถามหลวงพ่อโยมปฏิบัติยังไงพระทำตั้งยี่สิปีทําไม่ได้ บอกผมปฏิบัติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตใจของเราเป็นยังไงเราค่อยรู้ทันเนีย่ยตอนนั้นทํางานอยู่เป็นข้าราชการตื่นขึ้นมานะรู้ว่าวันนี้วันจันทนระ์ใจแห้งแรงเลยใจแห้งแรงรู้ว่าใจแห้งแรงเนี่ยปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนเลยความจริงปฏิบัติก่อนนั้นอีก่กอนที่ใจจะคิดอีกมันเห็นจิตเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นจากประวังนะ ปุ๊บปุบปบขึ้นมานะมันเหมือนเปิดสวิตปุ๊บขึ้นมามีความรู้สึกขึ้นแล้วความรู้สึกนี้แผ่ออกไปอี ก, กระทบมาที่ร่างกายแล้วร่างกายก็ปรากฏขึ้นนี่ยนำมาทําปรากฏขึ้นมานะให้เรารู้ก่อนแล้วมันแผ่ความรับรู้ออกไปกระทบรูปธรรมร่างกายแล้รูปธรรมก็ปรากฏขึ้นมานัเราเห็นน่ชัดบอก ว, ว่าจิตกับกายนี่คนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยปฏิบั ต, ติตั้งแต่จิตขึ้นมาขึ้นจับตวังวางมานะ ออกมาทำงานทั้งวันปฏิบัติเท่าที่ทำได้นะถึงเวลาทำงานตั้งใจทำงานในเวลาอื่นเนียนอกเหนือจากเวลาทำงานกับเวลานอนหลับเนี้ยนะพยายามปฏิบัติให้มากนะตอนไหนมีกำลังมากก็เจริญปัญญาตอนไหนกำลังไม่พอก็ทำสมถะตอนไหนไม่เอาไหนเลยหมดเรี่ยวหมดแรงนะหลวงพ่อถึงขนาดอ่านกระตูนก็เอานะอ่านอะไรมาอ่านนะให้มันเพลิดเพลินสบายใจพอใจผ่อนคลาย มาทำสมาธิมันก็รวมง่ายถ้าใจเราเหนื่อยเต็มีนะ่ไม่ทำสมาธิมันก็หลับไม่ไม่รวมหรอกล้วก็ทำฝึกตัวเองทุกวันนะจะกินข้าวก็ฝึกนะกินข้าวอาหารอย่างนี้ตามองเห็นเห็นอาหารอย่างนี้ใจชอบแล้วนะพออาหารนี้กระทบลิ้นไม่อร่อยเลยอย่างที่คิดใจไม่ชอบนะเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยตามองเห็นความรู้สึกที่ใจเปลี่ยนก็รู้ทันนะปู่ได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะความรู้สึกที่ใจของเราเปลี่ยนเราก็รู้ทันมีอะไรมากระทบร่างกายของเราใจเราเปลี่ยนเราก็รู้ทันใจเราไปคิดใจเราก็เปลี่ยนคิดถึงเรื่องนี้เกิดสุขคิดถึงเรื่องนี้เกิดทุกข์คิดถึงนี้โลภโกรด ล, ลงกนะ็รู้ทันใจเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกมากเท่าที่มากได้เลยถึงเวลาเข้าว่ายปลาสวมดมนต์ทุกวันไม่เลิกหรอก แล้วก็ทําสมาธิเดินจงกรมเดินไม่ค่อยเดินไม่ค่อยถนัดเดินนะตั้งแต่ไหนจะไรบ้านหลวงพ่อเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกรรมมาผ่านตัวมันโตนะเดินมากเดินไม่ไหวข้อเขารับไม่ไหวมากก็นั่งเอาถ้านะนั่งถ้าวันไหนเหนื่อยมากมันจะเคล้มนั่งเอาพัดมาอันหนึ่งนะักพัดไปเรื่อยเลยนะถ้านาร้อนเราก็พัดอย่างนี้พัดแล้วรู้สึกรู้สึกนะถ้านาน้หนาวเราก็พัดอย่านี้อนะย่ามาพัดใส่ตัวนะเดี๋ยวปอดบวม เคลื่อนไหว พ, พยายามเคลื่อนไหวไหมทีแรกลองเคลื่อนอย่างหลวงพ่อเทียนสิบสี่จังหวะหลวงพ่าเป็นพวกโทสะจริตสิบสี่จังหวะนี้ลำคาญเยอะไปเลยเหลือแค่นี้เองเคลื่อนไหวนะแค่นี้ก็พอแต่บางคนไม่พอต้องสิบสี่จังหวะถ้าแค่นี้พอสบายใจแล้วเคลื่อนไหวเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเคลื่อนไหวไปนะใจเรามีสุขรู้ทันใจเรามีทุกข์รู้ทันใจเราโลภโกรธห ล, ลงรู้ทัน เนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากนะงั้นเราเป็นฆราวาสเนี่ยอย่าไปท้อใจอย่าไปเสียใจว่าไม่ได้บวชบวชเราก็าจจะไปเก่งสมาธินะแต่ไม่ได้ไปเจริญปัญญาแต่ถ้าเจริญปัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่แหละถ้าภาวนาเป็นฆราวาสไม่ช้ากว่าพระนะแต่ขั้นต้นๆโสดาสกทาคาเนี่ยฆราวาสไม่ช้ากว่าพระหรอกแต่ถึงขั้นอนาคาขั้นพระอราหารันเนี่ยฆราวาสไปยากเพ ร, ะราะฆราวาสเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกาม กามไม่ใช่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวนะการเป็นเรื่องการหาความสุขในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการหาสัมผัสทางร่างกายหรือคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะาทางกายเนะนี่ยเรื่องกามทั้งสิ้นเลยอย่างเราเคยอยากดูหนังไหมอยากดูหนังนะพระไปดูหนังนะเซฟกามนะเคยมีเคยอ่านนิยาย นิทานเซ็นมั้งนะว่าเทวดา อ, องค์หนึ่งไปชมพระนะว่าพระองค์เนี้ยอยู่ในสวนดอกไม้ท่านมีศีลอัน ง, งามไม่ขโมยถามขโมยอะไรขโมยกลิ่นพอดอกไม้โชยมาเนียพระอื่นๆเนียนะจะอย่างนี้เลยนี่หลงในกามแต่องค์นี้กลิ่นกระทบจมูกนะใจเป็นยังไงท่านรู้ทันเลยนี่เทวดามาชม ว่าท่านมีสีนันงามไม่ขโมยกลิ่นของดอกไม้ของเราขโมยกลิ่นดอกไม้เราไม่ถือใช่ไหมเพราะดอกไม้มันยังอยู่เนี่ยเดินผ่านร้านดอกไม้ก็ไปตากคลองตลาดใครเคยไปไหมไโดนอย่างนี้รถทับตายเนี่ยกามไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กซ์ใช่ไหมหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสเนี่ยหลงในสัมผัสเนี่กามทั้งนั้นเลย หลงคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องกามมาทำอันนี้เป็นกามทางใจเนี่ยถ้าเราเป็นฆราวาสนะสู้อยากถ้าพระเนี่ยจะได้เปรียบฆราวาสในขั้นที่สูงขึ้นไปเวลาอยากอยากจะเห็นรูปไม่เห็นอยากเห็นของสวยของงามในวัดเห็นแต่ศพผู้หญิงมาวัดก็แต่งตัว ขาวขาดำดำไม่น่าดูอะเนี้ยอยากกินของอร่อยก็ไม่ได้กินบางวันถึงขนาดอาหารไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากคือไม่มีอาหารถ้ามีอาหารก็ยังถูกปากนะแต่อาจจะไม่ถูกใจเนี่ยเป็นพระนะเวลาความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผสัสเกิดขึ้นนีหรือแม้แต่คิดถึงรูปคิดอยากจะกินโน้อนคิดอยากจะกินเนี่ยแค่นี้ความทุกข์ก็เกิดแล้ว แล้วไม่มีทางทอย่างอื่นไม่มีทางตอบสนองแม้ต้องสู้งั้นเป็นพระเนี่ยถ้าถึงขั้นจะสู้ขั้นพระอนาคาขาึ้นไปเนี่ยเพศของพระเหมาะพวกเราใครได้สักกาคาละมีไหมบางคนชอบมาถามอยากบวชอยากบวชนะใจเย็นเย็นะเป็นคารวะที่ดียังเป็นไม่ค่อยจะได้เลยว่า <laughs> เป็นพระนะเราไปหัดภาวนาให้มาก จะเป็นค า, ารวะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าผัสะมันแรงถ้าภาวนาเป็นเจริญปัญญาได้มากข้อเสียของค า, ารวะคือฟุง้งนซะ่านนะขาดความต่อเนื่องขาดสมาธิกขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติไม่มีสมาธิไม่มีความต่อเนื่องเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วจิตจะไม่เกิดพลังจิตไม่มีแรงไม่มีกําลังนะภาวนาไปนะัะบอกเนี่ยนั่งดูดูจิตเนี่ยดูมาสามวันแนละ้ว เมื่อไรจะตัดสักทีโผลตัดอะไรไม่มีเรียวมีแรงนะพวกเราใครเคยรู้สึกไหมว่าไม่มีแรงปฏิบัติบางวันนะบางวันรู้สึกไหมจิตใจคึกเขมมีเรียวมีแรงแรงของเราหายไปไหนแรงของเราทําไมไม่ค่อยมีแรงมีห้าแรงนะแรงทางวิอุตศาสตร์เขามีแรงไหลแรงเหมือนกันใช่ไหมของเราแรงของนักปฏิบัติก็มีห้าแรงมีกําลังมีพระห้าอย่าง เรามีศรัทธาไหมบางวันเราก็มีศรัทธาใช่ไหมบางวันพระพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์ของเราเราก็ไม่เอาเราก็เอาผลประโยชน์ไม่เอาพระพุทธเจ้าศรัทธาของเราก็ปลุกปลุกโผลโหล่วันนี้มีศรัทธาอีกวันนึ่ไม่มีศรัทธาวันนี้มีวิริยะนะขยันมันเพี้ยนอีกวันนี้ขี้เกียจไปแล้ววิริยะไม่มีวางวันมีสติใช่ไหมช่วงหนึ่งมีสติอยู่หนึ่งวันขาดสติไปเจวันอย่างเงี้ย นะกําลังของสติเราไม่พอจิตนะใจของเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเราร่อนออกข้างนอกตลอดเวลาเรียสมาธิเราไม่พอกําลังของสมาธิไม่พอนะเราไม่ค่อยสนใจที่จะคอยแยกาธาตุแยกขันธ์แล้วดูความเป็นไตรลักษณ์ของาธาตุของขันธ์ของกายของใจนะนานๆเห็นทีหนึง่งนะรู้สึกไหมนานๆก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราแว บ, บหนึ่งนะที่แปลงฟันอยู่เห็นไม่ใช่เราเว้ย ที่เหลือเป็นเราหมดเลยนะเนี่ยปัญญากําลังปัญญาเราไม่พอนะถ้ากําลังของเราพอนะศรัท ธ, ธาของเราแน่นแฟ้นวิริยะของเราต่อเนื่องสติของเราทํางานได้รวดเร็วสมาธิเราดีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาของเราดีเราแยกธาตุแยกขันเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันของกายของใจอย่างสม่ําเสมอถ้าเราแรงเราพอแบบนี้นะจิตจึงจะมีกําลังที่จะตัดกิเลส เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเกิดอริยมรรคฆ่ากิเลสได้ถ้ากำลังไม่พอไม่เกิดอริยมรรคหรอกนะนั้นเราต้องมาพัฒนากำลังของเรานะจุดอ่อนของคารวะาคือกำลังน้อยนะสังเกตไหมบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาใช่บางวันก็วิริยะใช่ไหมบางวันก็ไม่มีวิริยะบางวันน้อยวันที่มีสติใช่จำนวนมากไม่มีสติหรอกนะหลงแหลกลาน จิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองมีน้อยรู้สึกไหมสภาวะที่หลงไปมีเยอะสมาธิเราไม่พอนะงั้นเราต้องพยายามมาพัฒนากําลังทั้ง5้านี่ผนึกกําลังทั้ง5้านี้ขึ้นมาให้ได้นะรวมแรงทั้ง5นี้ขึ้นมาเนี่ยจะฆ่ากิเลสตายนะเราต้องมารวมแรงหลวงพ่อสอนเนี่ยสอนให้พวกเราพัฒนากําลังทั้ง5้านี้สอนทุกวันนะพวกเราอาจจะไม่รู้ อย่างหลวงพ่อสอนพวกเราเพราะว่าทุกวันต้องทําในรูปแบบต้องไหว้พระต้องสวดมนต์ต้องคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้ า, จากระทั่งพวกเราจะมาขอบคุณหลวงพ่อว่าสอนแล้วพวกเราปฏิบัติพ้นทุกข์หลวงพ่อมาให้ขอบคุณพระพุทธเจ้านึกออกไหมนะเราต้องคิดถึงครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ของเราสูงที่สุดนะอาจารย์ที่สอนเรานี่ก็เป็นแค่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นสูงสุดของเราคือพระพุทธเจ้า ใ, ใจของเรานะต้องยึดถือท่านนะคิดถึงท่านเรื่อยๆคิดถึงคุณงามความดีของท่านท่านไม่ใช่เป็นอะไรกับเราเสนหน่อยทําไมมีความเมตตากรุณานะยอมลําบากยากเข็ญตั้งนานแสนนานเพื่อจะค้นคว้าธรรมะมาได้ธรรมะมาแล้วแทนที่ท่านจะเสพสุขเป็นพระอราหันต์มีความสุขจะตายไปท่านกลับทุกขทรมานนะต้องออกมาสู้กับพวกมิจฉาทิฏฐิสู้กับกิเลสมิจฉาทิฏฐิก็พยายามบ่อมท่านนะถึงขนาด จ้างผู้หญิงมาแกล้งว่าทำเป็นท้องกับท่านก็มีจ้างคนมาด่าท่านก็มีนะทำได้สารพัดเลยที่จะเล่นงานท่านนาน า, นาต่างๆนาน า, นาท่านต้องสู้กับพวกมิจฉาทิฏฐินะต้องสู้กับกิเลสของพวกเราแต่ละคนด้วยเวลาคำสอนของท่านเนี่ยเป็นคำสอนที่ฝืนกิเลสพวกเราเราบางคนรับไม่ไหวนะพวกกิเลสแรงรู้สึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เอาดีกว่า เนี่ยท่านต้องมาต่อสู้นะกว่าจะตั้งาศาสนาขึ้นมาได้ถ่ายทอดสืบทอดมาถึงเราเนี่ยท่านยากลําบากมากมายนะถ้าปัญญาของท่านมหาศาลที่จะค้นพบธรรมะได้เองขนาดธรรมะที่ท่านค้นแล้วเอามาสอนเราเรายังทําได้บ้างไม่ได้บ้างเลยไหมปัญญาของท่านมากความการุณาของท่านมากนะถ้าเราหัดภาวนาไปเรื่อยใจของเราสงบสะอาดสว่างนะเข้าถึงความบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้น เราก็จะรู้ถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยพรใจของเรานะยิ่งภาวนาไปใจเรายิ่งห่างไกลความทุกข์เราจะยิ่งเคารพยิ่งรักพระพุทธเจ้าแน่นแฟ้นนะศรัท ธ, ธาของเราจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นงั้นบางวันถ้าหมดศรัท ธ, ธานะพยายามนะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้พยายามคิดถึงคุณของท่านไว้นะแล้วพอเราคิดถึงคุณของท่านใกล้ครวญถึงคุณงามความดีของท่านนะใจก็เกิดศรัท ธ, ธาขึ้นมาอีก หรือเราครบกับคนที่เขามีศรัทธาถ้าเราพบคนที่มีศรัทธานะเราก็จะน้มนําไปให้เกิดศรัทธาเราไปพบพวกมิจฉาทิฏฐิไม่มีศรัทธานะมันก็พาเราเสื่อมศรัทธาไปด้วยนะเรื่องคบคนก็สําคัญนะเนี่ยหลวงพ่อก็สาารอรพวกเราทุกวันเนี่ยว่วยพระต้องสวดมนต์ต้องคิดถึงคุณของพระอันนี้คือพัฒนาพลังของศรัทธาขึ้นมาสอนว่าต้องทําทุกวันในรูปแบบใชไห ถ้าเราอดทนอดกลั้นทําทุกวันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะตื่นเวลาก็ต้องปฏิบัติถึงเวลาต้องภาวนาภนะาวนาตอนค่าทําไม่ไหวจริงๆนะทำมันได้แต่ตื่นนอนนะทำมันวันละหลายๆรอบเนะช้าสายบ่ายเย็นนะไม่มีใครมาว่าเราหรอกทําทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยภาคเพี่ยนเข้านะอดทนทีแรกการลงมือปฏิบัตินะจะไปนั่งสมาธิไปทําอะไรต่ออะไรนะมันฝืนความรู้สึกฝืนความขี้เกียจขี้คลานนะ ฝืนความท้อแท้ท้อถอยของเราเราทํามากขึ้นมากขึ้นเนใจเรามีกําลังขึ้นพัฒนาขึ้นเราจะขยันมากขึ้นเพราะเราเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติวิริยะมันจะมากขึ้นมากขึ้นงั้นเบื้องต้นบางทีหลวงพ่อขอขอ10นาทีไหมถ้า10นาทีพวกเราทําได้นะต่อไปจิตของเรามีความสูงมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงนะมันจะเพิ่มของมันเองมันอยากเพิ่ม หลวงพ่อขอ10นาทีขอแถมให้อีกชั่วโมงหนึ่งนะอย่างนี้มีเยอะเลยเดี๋ยวนี้นะบางคนภาวนาทั้งหลายชั่วโมงนะวันหนึ่งอันนั้นถ้าเขามีเวลานะถ้าไม่มีเวลา10นาทีอย่าให้ขาดถ้าทําได้ทุกวันเนี่ยวิริยะพลังของความเพียรของเราจะแก่กล้าขึ้นเวลาตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วไม่ท้อถอยลําบากแค่ไหนก็ทําถึงจะเจ็บจะป่วยก็ทำหลวงพ่อพูดเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามีพระองค์หนึ่ง พระเนี่ยปกติท่านมีข้อวัดที่ต้องทำอย่างไปกวาดวัดสั้งกวาดวัด ต, ต้องทําความสะอาดกุฏิเสนาสะนะอะไรเนี่ยพระต้องทำํำพระปล่อยให้กุฏิสกปรกปล่อยวัดสกปรกเนี่ยผิดมากเลยนะไม่ถือว่าไม่เคารพพระธรรมวินัยนะเนพระมีพระอโยงหนึ่งนะท่านก็รักษาข้อวัดอย่างดีนะรักษากุฏิวิหารสาราอะไรรักษาถนนถ น, น, ถ น, นทางสะอาดนี่ท่านป่วยจนลุกไม่ขึ้นนะ ป่วยจะลุกไม่ขึ้นเนี่ยท่า น, นอนอยู่กระดิกตัวก็จะไม่ไหวอยู่แล้วใกล้จะมรณภาพแลเนะพราถึงเวลากวาดวัดเนี่ยท่านลุกขึ้นมาไม่ได้ท่านกําหนดจิตของท่านเนี่ยท่านลูกข้างๆที่นอนของท่านท่านเคลื่อนไปได้แค่นี้แล้วนะท่านกําหนดจิตว่าเนี่ยท่านกำลังทําข้อวัดอยู่กําลังทําความสะอาดสุดกําลังที่จะทําแล้วนะได้แค่นี้นะแต่ยังรักษาข้อวัดเอาไว้เลยนี่วิริยะสูงนะ หลวงพ่อพูดเคยเล่าให้ฟังโห้โหกใจเด็ดยังมีสมัยพุทธกาลก็มีเป็นตัวอย่างท่านเดินจงกรมเดินจนเท้าแตกเดินไม่ได้ท่านคลานคลานจนหัวเข่าแตกไม่จริงข้อวัดนะหัวเข่าแตกคลานไม่ได้ท่านต้องลงไปนอ น, นท่านก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยนะถือว่ากําลังเดินจงกรมอยู่เห็นไหมท่านไม่ยอมท้อถอยเลยนะมีวิริยะมากถ้าเป็นพวกเราหัวเดินจนเท้าแตกเราก็ไม่เอาแล้วเนาะ เท้าแตกไม่ได้เท้าของเราเจ็บเนี่ยจะไปคลานหัวเข่าแตกยิ่งไม่เอาใหญ่เดี๋ยวหัวเข่าด้านไม่สวยนะ่ายนอนซะอีกเนี่ยความเพียร น, นะถ้าเราตั้งใจทำแล้วเราทำสมาเสนอนี่กำลังของความเพียรเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หดหูก็ะ ไ, ไ้กำลังจะตกนะสติก็เหมือนกันต้องซ้อมทุกวันที่หลวงพ่อบอกให้ทำในรูปแบบนะไม่ใช่แค่ได้ศรัทธาได้วิริยะนะจะได้สติด้วย หายใจเข้าพูดหายใจออกทัวอะไรก็ทําไปนะถ้าจิตไหลไปแล้วรู้รู้ทันจิตใจของเราไปด้วยเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายเดินไปก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งรู้เนี่ยดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจระลึกรู้กายระลึกรู้ใจให้มากสติของเราก็จะแก่กล้าขึ้น นะถ้าเราไม่ทําในรูปแบบเลยนะเดินไปรู้สึกบ้างเผลอไปบ้างนะเผลอนานกว่ารู้สึกอนะีเราจะกําลังของสติก็พัฒนายากนการทําในรูปแบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราทําได้นะศรัทธาของเราก็จะเพิ่มขึ้นวิริยะก็จะเพิ่มขึ้นสติก็จะเพิ่มขึ้นหรือเราเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วจิตเราเคลื่อนเราเห็นสมาธิของเราจะเพิ่มขึ้นจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว นะแล้วการปฏิบัติในรูปแบบถ้าวันไหนกําลังของเราพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราก็ดูธาตุดูขันเลยแยกกายส่วนกายจิตส่วนจิตความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปกุศลอกุศลก็แยกออกไปจิตเป็นคนดูสุดท้ายมันก็เกิดปัญญานะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกนะร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มันปวดมันเมื่อยตลอดเวลา ส่วนจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกขก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยคือการเจริญปัญญาถ้าพวกเราทําในรูปแบบนะเราค่อยๆพัฒนาไปด้วยกําลังของศรัทธาเราก็จะแก่กล้าขึ้นกําลังของวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะแก่กล้าขึ้นถ้ากําลังของเราแก่กล้าพอเนี่ยมันจะล้างกิเลส มันจะมีพลังไปล้างกิเลสได้ถ้าเราหมวแต่ท้อแท้หดหู่ท้อถอยนะป้อ ป, อปอแปะแปะไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราสู้กิเลสไม่ไหวหรอกนะพอไหวไหมอย่างนี้ยากไปไหมอันนี้ถ้าเรื่องอย่างนี้ยากเราไม่รู้จะเทศอย่างไงแล้วนะถ้าเรื่องอย่างนี้ยากต้องเทศอย่างหลวงพ่อกเกษมกอเอ๋ยกอไก่พ้อไข่อยู่ในเล้าโอ้ใครเคยเจอท่านไหม หลวงพ่อเกษมเขี ม, มกโกอยู่สุสานใจรักหลวงพ่อเคยไปเข้าไปตอนกัางคืนนะพอเข้าไปถึงสุสานนะมืดตืต้อเลยแต่คนเต็มวัดเลยเต็มสุสานนะเข้าไปถึงเลนั่งอยู่รอดูไอ้หลวงพ่อจะออกมาไหมแป๊บเดียวลูกศิษย์ท่านก็เดินมาหาเลยบอกวันนี้วันพระหลวงพ่อไม่รับแขก เราบอกว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรเรามาตั้งไกลนะแล้วขอนั่งสมาธิก็แล้วกันนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงท่านนะซ้อนๆเลยอยากดูท่านท่านทําอะไรวะอยา <c oughs> อยากรู้เรื่องของท่านนะท่านก็กั้นเลยไม่ให้รู้หรอกนะยันกันไปยันกันมาอยู่พักนะท่านให้ลูกยอมแพ้ท่านพลังฝึกปรือของท่านตอนนี้หกสิบปีเราพลังฝึกปรือยี่สิบปีสู้ไม่ไหว พักเดี๋ยวท่านให้ลูกศิษย์มามาเรียบบอกให้ไปนั่งที่หน้าระเบียงกุฏินะเพราะวันนี้ท่านไม่รับแขกให้นั่งที่ระเบียงท่านจะเปิดประตูกุฏิกุฏิท่านเล็กนิดเดียวเลยห้องน้ําเศรษฐีใหญ่หวาน ด, ด้วยซ้ํำไปหลวงพ่อท่านจะอยู่ในกุฏิแต่จะเปิดประตูโยมอยู่ที่ระเบียงห้ามเข้าไปในประตูหลวงพ่อก็จะไม่ออกจากประตูถือว่าหลวงพ่อไม่ได้รับแขกน่ สุดยอดเลยนะเราก็เอาสิเรียกไปคนเดียวนะไปทีมใหญ่เลยท่านเจาะจงเรียกไปคนเดียวเลยไปถึงก็ไปนั่งพับเทียบเรียบร้อยรอพอ ข, ขึ้นไปนั่งเรียบร้อยสบายใจท่านก็เปิดประตูเปิดประตูนะหันไปหยิบไมโครโฟนออกมาออท่านเผื่อแผ่ให้คนที่อยู่ไกลๆฟังด้วนยะก็อเอ้ยก็ไก่ก้อไข่อยู่ในเล้าอะ เทศอย่างนี้เหรอแตอนนี้นเราก็คุกเข่านะพันธมือคุกเขา่าจะฟังท่านเทศเทศจอกไก่ขอไข่ไปถึงขอนกุกนะแล้วก็ท่องกรอนกรอนไหว้พระกรอนไหว้ต้นโพกรอนไหว้ตัวหนังสืออะไรอัองท่านนะท่องไปเรื่อยเลยเรานี่กลุ้มใจมากเลยก็นึกในใจหลวงพ่อครับหลวงพ่อเทศให้ผมฟังเนี่ยไม่เป็นไรผมเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระสงฆ์ หลวงพ่ออย่าไปเทศให้คนต่างชาติต่างาศาสนาฟังนะเขาจะดูถูกพระพุทธศาสนาเนี่ยพอเราคิดบ้าได้เต็มชี้แล้วนะท่านก็ยิ้มหวานหนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายอู้ใจนี่เย็นฉ่ำเลยได้ธรรมะละท่านหล อ, อกเรานเะ่งหล อ, อกให้เราคิดบ้าบอกขอแตกกัแล้วนะกลุ้มใจอยู่ตั้งนาน ที่แท้สอนเราเนาะคิดดีก็ใจเย็นนะคิดไม่เป็นเย็นสบายเย็นสบายเป็นความดับสนิทดับสนิทแห่งทุกเลยนะมันเลยขั้นความปรุงแต่งทั้งกวงไปนะพอท่านเห็นว่าเออพอสมควรล้ท่านก็หันวางไมโครโฟนคว้าปี๊บมาใบหนึงงัดนั้นแจกขนมปังรับอย่ารับอยู่ตรงประตูนะไม่เข้าไปท่านก็ไม่หยอดไกลท่านก็หยอดอยู่ ปากประตูเนี่ยไม่เสียสัตว์จักจากลิปบิ้นมาฮันสีแดงเอามีดตัดท่านก็ปิดประตูหลวงพ่อกินจีกินกิน <c oughs> คนที่แวดล้อมอยู่นะพือเข้ามานะขอขอขอขออะไรขอคุกกี้กินหมดแล้วโง่เขาต้องเอาไปบูชาไม่ได้เอาไปกิน <c oughs> เหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหลือริบบิ้นอยู่อันก็มีพี่คนหนึ่งอายุห้าสิบเก้าปีจ ะ, กะเกษียณแล้วขอขออันนี้ขอหลวงพ่อเลยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความทรงจำเ <c oughs> ข้าริบบิ้นไปปุ๊บลูกศิษย์ท่านรีบบอกเลยริบบิ้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้าผู้ชายได้มาเนี่ยต้องมาร้อยในกระดุมที่ขอเสื้อเนี่ยอยู่หนึ่งคืนผูกโบไว้ถ้าผู้หญิงต้องผูกจุก คิดดูสิยายแก่อายุหกสิบผูกจุกอะ่ะแล้วผูกจริงๆนะเพราะคนมันสัตธาเดินไปด้วยนะอาอยชะมัดเลยเนี่ยครูบาอาจารย์นะครบาอาจารย์ท่านสอนท่านสอนวิธีสอนของท่านเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันน่ะโอดถ้าอยู่ด้วยนะสนุกมีความสุข เอาธรรมะกันเป็นหลักจริงๆเลยสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นนะมีสติคอยรู้ทันใจของเราเนี่ยขนาดหลวงพ่อเกษมว่าไม่สอนนะท่านก็อุตส่าห์สอนสอนออกมาที่จิตที่ใจนี่เองถ้าคิดดีใครเป็นคนคิดในะ ใ, ใจมีคิดใช่ไหมคิดดีใจเหตุคิดดีเกิดกุศลคิดชั่วเกิดอกุศลใช่ไหมสอนธรรมะทั้งเยอะใช่ไหมกุศลอกุศลไม่ใช่อยู่ลอยๆเกิดต้องมีเหตุนะเรมีกามมรรตก กรารมาราค้าก็เกิดมีพยาบาทวิตกเห็นไหมพยาบาทก็เกิดมีวิหิงสาวิตกคิดจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยโมหะอะย่างนี้ก็เกิดการเบียดเบียนคิดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนะชัยก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเหนือขั้นคิดนะเหนือขั้นคิดคิดไม่เป็นไม่ต้องคิดให้รู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็ น, นถึงวันหนึ่งจะเข้าถึงความดับรอบดับสนิทแห่งทุกข์แม้สประโยคเท่านั้ น, นะ มันอมครอบคลุมธรร ม, มะเอาไว้ตั้งเยอะน่อยนะอยู่ที่เราฟังเป็นหรือไม่เป็นนะในพวกเราฟังหลวงพ่อนี่เยอะมากนะฟังเป็นหรือไม่เป็นว่าเห็นกิเลสไหมตอนนี้ใครเห็นกิเลสบ้างยกมือหมายถึงว่าที่ปฏิบัติมาจนถึงวันเนี้ยเวลากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันใครเห็นตรงนี้แล้วบ้างมีไหมโอ้ใกล้พันิพานละนะ <c oughs> ใครเห็นเวลาใจมันหนีไปคิดใครเห็นตรงนี้บ้างนะโอ้นี้ยิ่งใกล้หนักเข้าไปอีกนะตรงที่กิเลสเกิดเรารู้ทันเนี่นั่นคือเรามีสตินะตรงที่จิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นเราจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วพวกเราคนไหนเห็นกายกับใจเป็นคนละอันบ้างมีไหมเรายกมือสิออลด น, น้อยลงกว่าตะกี้แต่ก็อย่างเยอะนะใครเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราบ้างมีไหม ใครเคยเห็นแวบๆว่าจิตไม่ใช่เราบ้างจิตก็ยังมีนะนี่พวกเห็นใจเห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยพวกเข้าใกล้ฝั่งแล้วเข้าใกล้ภนินผ่านกระยุบกระดึบกระดึบไปแล้วนะจ <c oughs> ิระนิดจีระหน่อย น, นี่เราค่อยๆฝึกตัวเองทุกวันนะเบื้องต้นรักษาศีลห้าไว้ฝึกสตินะฝึกสติคอยรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดในใจเราดพาะสุขเกิดรู้ทันทุกเกิดรู้ทัน กุศลเกิดรู้ทันรอบรวจหลงเกิดรู้ทันเนี่ยเราจะได้สติเรารู้ทันจิตที่หลงหลงไปคิดไหลไปคิดเราจะได้สมาธิเราเห็นกายกับใจแยกออกจากกันกายก็ทำงานส่วนของกายความสุขความทุกข์มันก็ทำงานของมันได้กิเลสมันก็ทำงานของมันกุศลมันก็ทำงานของมันจิตมันก็ทำงานของมันเองเราสั่งไม่ได้เนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่ ถ้าเรามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะฝึกของเราทุกวันทุกวันนะกำลังเราจะมากขึ้นมากขึ้นนั่นจะรู้สึกเลยว่าแรงเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ใช่กําลังภายในอะไรหรอกเป็นกําลังพระห้านี่เองศรัทธาของเราก็จะมากขึ้นเพราทําไมศรัทธามากขึ้นเพราะเราปฏิบัติเนี่ยมาตั้งหนึ่งเดือนละเราเห็นเลยว่าความทุกข์ของเราลดลงลความทุกข์ของเราสั้นลงทุกหนักก็กลายเป็นทุกน้อยทุกนานก็เป็นทุกสั้น เนี่ยธรรมะของผู้เทอเจ้าดีจริงนะเนี่ยเราหัดนะเราเริ่มเห็นผลเนี่ยศรัทธามันจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นงั้นอดทนนะทำในรูปแบบทำไปทุกวันวันหนึ่งนาที15นาทีอะไรก็ทำไปแล้วเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้ถ้าทำได้มากนะกำลังเราก็จะมากนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบเมื่อไรนะก็จะได้มักได้ผลหนอกคนะราวาเนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงที่แรงไม่พอนี่แหละ พอกันต้องแก้จุดอ่อนด้วยการทําในรูปแบบนะอยากขี้เกียจขี้ปลาตั้งอกตั้งใจเข้าถึงวันหนึ่งแรงก็มากพอเราจะเก่งได้เปรียบพระด้วยซ้ําไปตรงที่ตอนขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเรากระทบอารมณ์เยอ ะ, ะเราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาเราจะเห็นได้มากเห็นได้บ่อยเนี่ยการภาวนาเราจะไม่เนิ่นช้าหรอกถ้าเราไม่มีแรงป้อแปรป้อแปรนะแล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้าง ถ้จะนับว่าเนี่ยทำมา7วัน7เดือน7ปียังไม่ได้ผลเลยรวมๆแล้วทํานิดเดียวนะนานๆ ท, ทําที1หรือ7วันทําครั้งหนึ่งแล้วมาบอกว่าทํามา7วันนก็ไม่ได้เรื่องหรอกต้องอดทนนะอยากได้ของดีอยากได้เขาพิเศษเบื้องต้นเนี่ยต้องทนมากหน่อยเบื้องปลายไม่ต้องทนหรอกจิตมันทํางานของมันเองนะสติสมาธิปัญญารรมทํางานของมันเองไม่ต้องลาบากอะไรแล้วะอัตโนมัติไปหมดเลยเราแทบไม่ได้เรียกว่าเราทําอะไรเราคอยดูมันทํา นะดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยเราไม่ได้ทำอะไรเราเป็นแค่คนดูนะแต่ก่อนจะถึงขั้นตรงนั้นเราก็ต้องทำเอาก่อนนะพากเพียนก่อนไม่งั้นมันไม่ยอมดูนะพอไหวไหมสู้นะออสู้เพื่อว่าวันหนึ่งชีวิตพวกเราจะได้ดีขึ้นนะใครจะเกิดอะไรนะโลกจะแตกวันโลกแตกโลกดับโอหลือกันใหยังแตกไม่ได้หรอกถ้าศีรยระยะเมตรายัไม่มาตรัสเลยแตกแล้วไปตรัสที่ไหนอ่ะ อย่งมงายนะยงมายจะแตกหรือไม่แตกไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ชีวิตได้คุ้มค่าหรือเปล่าไม่ต้องห่วงว่าปีหน้าโลกแตกปีโน่นจะเป็นอย่างนั้นปีนี้จะเป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงเอาให้ได้ซะก่อนนะถ้าอยู่กับปัจจุบันนี้ได้นะเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วมีสติอยู่กับปัจจุบันได้หนึ่งวันเราพระพุทธเจ้าชมว่าดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีแล้วไม่มีสตินะ เงินไม่ต้องห่วงนะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะโลกจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยไม่ต้องกังวลมากอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้มันไปต่อไปเราก็จะรู้ว่าข้างหน้าโลกเป็นยังไงโลกก็เป็นอย่างตามเหตุของมันโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้ก็เป็นทุกข์นี่เป็นอะไรก็เป็นทุกข์นั่นแหละเราก็อยู่กับมันอย่างฉลาดนะอยู่กับมันอย่างเท่าทันอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์คล้ยฝึกนะฝึกไป ะใครจะส่งกันบ้านเชชญใครจะกลับก่อนก็ชนเดี๋ยวรถติดน้ำมัสการ์น่ะพระอาจารย์โยมเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กระเจิ่กอดยังไม่เหมือนกันเห็นค่ะโอ้เห็นนะเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันกันไม่ชัดค่ะเห็นไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายกับจิตใจเป็นคนละอันกันเห็นค่ะ โอ้ถ้างั้นหัดดูจิตไปให้มากดูไปเรื่อยจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเวลาจิตฟุ้งซ่านเห็นไหมเห็นค่ะมันฟุ้งซ่านในเรื่องธรรมะก็ได้นะเห็นไหมเห็นค่ะออให้รู้ทันนะรู้ทันแล้วรู้สึกไหมว่าสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้รู้ค่ะอ่าจบอ่ ะ, อะคนต่อไปขออีกนิดเดียวแน่นะแน่ค่ะอะแน่แล้วก็ว่ามา โยมลองถอดร่างกายของตัวเองมาเป็นชิ้นส่วนเหมือนรถอย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะแล้วในที่สุดมันก็ไม่มีคาว่าคนใช่ไม่มีแล้วโยมคิดเองว่ามันไม่ใช่คนมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเป็นความคิดมันไม่ใช่การเห็นแจ้ง โยนโยมคิดนำอย่างนี้ได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าอย่าไปคิดตลอดไปนี้ให้รู้อย่างที่เขาเป็นเราเริ่มเห็นความจรงิงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราก็ดูเรื่อยๆร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์กุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตใจเองก็ทํางานได้เองจิตใจเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดมันก็วิ่งของมันได้เองดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันล้างความรู้สึกนึกคิดนะความลึกๆึลงไปเนี่ยรู้เลยว่าตัวเราไม่มีหรอก ต้องทำอีกนะยังไม่พอจิตยังไม่เข้าฐานค่ะอ้าต่อไปอ๋ออีกนิดเดียวค่ะแถมอีกแล้วโยมได้ถวายตัวเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าโยมป่วยหลายโรคมากดังนั้นร่างกายโยมก็ให้หมอรักษาแต่โยมมีหน้าที่ที่จะรักษาจิตใจตัวเองเท่านั้นเองเออนั่นแหละดีแล้วสาธุสาธุด้วย ต้องอย่างนั้นแหละนักปฏิบัติกล่าวในมรดการหลวงพ่อครับเคยส่งแทนบ้านเมื่องสี่เรือนก่อนครับหลวงพ่อบอกว่า อ, อจิตยังไม่ตั้งมั่นแล้วก็ให้ไปทาสมถะเพิ่มนะครับอืก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าเอมีความตั้งมั่นมันก็ตั้งมั่นมากขึ้นนะครับจะจิตสว่างหรือจิตมัวตอนนี้เหรครับตอนนี้ดูไม่ออกครับอื ถ้าจิตเรามีโมหะแทรกนะเราจะดูไม่ออกเราค่อยๆสังเกตไปถ้าไม่มีโมหะนะมจะเห็นสภาวะได้ชัดขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องปกติถ้าตื่นเช้ามากไปบางทีก็เป็นอ๋อยังไม่ได้นอนนะครับหรือไม่นอนเลยเหรอครั บ, รบดีขึ้นแล้วละ่ะครับใจ<ด><ต> เ, เข้าฐานมากขึ้นแล้วต้องออทําอะไรเพิ่มอีกไหมครับทำบ่อยๆนะ แล้วใจเคลื่อนไปเรารู้ใจเคลื่อนเรารูเปล่็ๆนๆะกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอาตรงที่เราเห็นกิเลสบ่อยๆสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับตรงที่ใจเคลื่อนเรารู้สมาธิจะมากขึ้นมากขึ้นนะสติสมาธิมากเนี่ยปัญญาเมื่อจะเกิดของคุณมันก็เริ่มแยกขันได้แล้วมั้งใช่ยังก็พอเห็นแล้วครับเออนะหาแยกไปงั้นเลยทีแรกอาจจะช่วยมันคิดนิดหน่อย ต่อไปมันแยกของมันเองเราไม่บังคับให้แยกแยกก็แยกรวมก็รวมแยกก็รู้รวมก็รู้นะต่อไปไม่แยกอัตโนมัติขึ้นมาครับตอนนี้กับตะกี้จิตเหมือนกันไหมตอนนี้ตะกี้ตอนไหนครับตอนที่เริ่มคุยกันใหม่ๆออตอนนี้น่าจะถูกตอนนี้ดูไม่ออกเขเพิ่งตื่นเต้นอยู่ครับความรู้สึกตัวชัดขึ้นไหมตอนนี้น่าจะชัดขึ้นเห็นไหมครับ ถ้าโมหะมันบังนะมันไม่ชัดครับนะอ่ะต่อไปกลับขอบพระคุณกับนมัส ก, การหลวงพ่อครับก็ได้ปฏิบัติจริงๆประมาณหนึ่งเดือนนะครับทั้งที่ฟังมาแล้วเกือบสี่ปีก็มีความตั้งใจว่าจะต้องทาต้องตั้งใจทำให้ได้ก็ลองสักตั้งหนึ่งทีนี้ก็เห็นที่ชัดที่สุดคือเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเห็นความอยากผุดขึ้นมานะครับ อย่างตอนคุยกับเพื่อนๆมันจะขี้เมาาเงี้ยครับปกติเราก็จะอยากรู้ไปด้วยว่าเขาพูดอะไรกันเราก็จะถามว่าเออเรื่องอะไรฟังด้วย อ, อะไรเงี้ยครับแต่ว่าล่าสุดนี่คือเห็นความอยากพุดขึ้นมาก่อนความอยากขุดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะถามเขาทำไมมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากกันที่ว่าไปรู้เรื่องคนอื่ น, นะรเงี้ยครับความอยากดับไปก็ไม่เห็นเหตุที่ว่าจะต้องถามเขาตอบ ก็เลยนั่งเราก็มองตัวเองว่ามันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนี่เดินเดียวนะที่ภาวนาได้ขนาดนี้ก็ดีตัวที่ผลักดันให้เราต้องวุ่นวายมากมายนะั่นก็ความอยากนี่เองเพราะความอยากเป็นตัวสมมูทไทยทําให้จิตเราสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ทันความอยากได้เนี่ยตัดต้นทางของมันไปได้เยอะเลยนะนคอยรู้ทันเดี๋ยวก็อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียง อยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสนะอยากสนุกสนานทางใจอะไรเงี้ยอยากโน้นอยากนี้รู้ทันอยากไปได้ฝึกอันเดียวพอแล้ทีนี้มีความอยากดูอะครับหลวงพ่อให้รู้ทันว่าอยากรั้วดูเสร็จแล้วก็จะจะเพ่งไปแล้วก็จะแน่นๆตรงตรงให้ถ้าเราไม่รู้ทันความอยากอยาจไปเพ่งพวกเพ่งทั้งหลายนะเพ่งก็เป็นภพนึงนะภพอันนี้ก็เกิดจากตัณหาอยากปฏิบัติอยากรู้ชัดๆ อยากรู้ไม่ให้คลาดสายตาก็กลายเป็นเพง่กเเพงก็ทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันความอยากอยากปฏิบัติรู้ทันปุ๊บไม่เพ่งหรอกนะแล้วปฏิบัติไหมปฏิบัติเพราะว่าสมควรปฏิบัติถ้าความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันพอความอยากดับไปแล้วก็ดูด้วยเหตุผลอะไรควรทําก็ทําอะไรไม่ควรทําก็ไม่ทําไม่ใช่ว่าต้องไม่ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วตอนนี้ยังอยู่ในร่องในรอยอยู่อยู่ดีขอบพระคุณค่ะ นี่เดือนหนึ่งนะนาได้อย่างนี้ขันแยกเก่งกลางวันมาการค่ะเท่าที่หนูจะดูก็จะมีแต่ความหลงคิดอยู่ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบสิบนาทีพูดไห ม, มไม่ก็เป็นบางครั้งค่ ะ, ะบางครั้งแน่ใจเวลามันคิดนะแล้วมันฟุ้งมันอยากพูดเลยนี่นะเรารู้ทันมันก็เลยเราก็สบายเรารู้ทันไปเรืนะ่อย ใจมันจะหนีคิดก็รู้ทันนะใจมันอยากพูดก็รู้ทันนะมันตามความความคิดไมกทิ้งนั่งสิบนาทีเนี่ยก็จะมีแต่หลงคิดอยู่ตลอดเวลาดีที่รู้นะหลงอย่าให้นานนะนาทีมันหายไปเลยให้หายไปเลยมากไปต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ี่อยู่ก็พุทโธอยู่ก็ลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วจิตมันทิ้งพุทโธทิ้งลมไปแล้วก็รู้ทันค่ะทีนี้มันมันเหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่าน เทศก็คือรู้แต่เผลอนเผลินก็คือเดินปัญญาไม่เป็นนะคะมันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าค่ะท่านต้องใจต้องรู้สึกตัวใจต้องตื่นต้องตั้งมั่นก่อนแล้วก็เห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตอย่างเงี้ยกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตเนะถ้าอย่างนั้ไม่ก็เด่นปัญญาได้ค่ะงั้นหนูขอแนวทางหนูควรจะดูดูอยางพูดอ่าดูดูใจนะใจมันอยากพูดก็รู้ใจมันเป็นมีอยากอะไรขึ้นมาก็รู้นั่นเลย นะการราบสักการเจ้าค่ะก็ขอส่งการบ้านนะคะไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาก็น่าจะหลายเดือนแล้ว เ, เดือนที่แล้วค่อนข้างรวนะเจ้าค่ะเดือนนี้ก็เลยกลับมาพกนาฬิกาปลุกอีกครั้งนะคะก็ปลุกทุกสองนาทีแล้วก็รุ่มลมหายใจทีนี้เนี่ยเดีรู้สึกว่าหนูอาจจะไปไปจงใจทิ้งลงมอะค่ะหนูก็ยังไม่รู้จะทํำยังไง แล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันปลงเกินจริงอยู่ใช่คือการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ฝึกน้อมจิตน้อมใจให้ว่างๆนะเราพยายามย้อนมาดูตัวทุกข์ให้มากดูกายดูใจให้มากถ้าเราไม่รู้ทุกข์นะไม่รู้ทำหรอกมีหลายคนที่ฝึกแต่ละใจก็สบายสบายอย่างเดียวเลยนะถ้ามันสบายหนูก็กลับมาดูกายเห็นร่างกาย หายใจไปเรื่อยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะจะเห็นแต่ทุกข์นะต่อไปตอนนี้นี่เหมือนกับว่าพอรู้ลมแล้วเหมือนมันไม่เห็นกายใจเลยอะค่ะมันเหมือนกับว่าใจมั น, มนไปนอยู่<ง>ที่ลมหรือเปล่ามันปร่งเกินไปนะโปร่งให้รู้ว่าโปร่งอยู่นะแล้วก็เวลาทําตัในรูปแบบเปลีล่ยนจังหวะหายใจสิเขามันรองว่างโปรงๆหายใจแรงที่้นทง เนี้ยสักทีสทีนะให้เพิ่มความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนะเพิ่มสติให้แรงขึ้นนะแล้วก็เวลาทําในรูปแบบเดินจงกรมแล้วมักจะมีความฟุ้งอยู่พอฟุ้งเอื่อยๆแล้วก็จะมีความเหงาแล้วก็ความลิสยาเข้ามาลงอยู่แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเข้าใจว่าตัวเองคงไม่ค่อยมีแรงมากนะเพราะว่ามันมันไม่ได้ครอบงําเต็มที่แต่ว่ามันก็ทําให้เราเหมือนเหมือนเผลออะค่ะก็สู้หรอนะ ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวขึ้นเพิ่มกำลังของสติขึ้นแ้ใ่ใจสมาธิมากกว่าสตินะจะกว้างๆเผลอๆเริ่มเิ่มไปลืมแล้วลืมตัวไปหนู เ, เพิ่มสติขึ้นรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นอเ อ, อการที่หนูเออรูอ้ ล, ลมแช่เกินไปมันทําให้ขาดสตินั่นแหละขาดสติ แล้วก็มันเพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวให้มันเข้มขึ้นนิดหนึ่งอ่ะนิดเดียวนะถ้าเพิ่มมากมันจะแน่นก่อนหน้านี้หนูหนูเพิ่มกําลังมากจนหนูไปไปเหมือนไปกรรมมันนะคะออแล้วเพื่อนแนะนําว่าให้แค่ชําระเงอนพอหนูจะไปกรำมมันอีกทีนึงหนูก็จะพผงะทุกทีอะไอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้หนูไม่กล้าเราไม่ถึงขนาดนะต้องไปกรรมมันนะคะแค่รู้สึกตัวให้ชัดขึ้นอะ่ะไม่ใช่ว่าต้องไปรู้อะไรรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นนิดนึง สุดท้ายนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะมีโอกาสได้ไปอินเดียค่ะก็ถ้าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำไหมคะอย่าไปกินน้ำกขรกนะมีสติไปนะไปเมืองแขกเราต้องฝึกขันติคนอินเดียเขาอดทนมากเลยเราดูตัวอย่างที่ดีของเขานาะเขาอดทนมากเลยเช่นเ้าเดินขอทานเนี่ยเขาเดินได้ทีเดียวสามกิโลอะยเนี้ คนมากเลยถ้าเราสติสู้เขาไม่ได้ความอดทนสู้เขาไม่ได้เราสติแตกก่อน <c oughs> นะมันมันน่าดูนะมังอินเดียสุดยอดเลย <c oughs> มีอะไรที่นึกไม่ถึงเยอะเลยแล้วเรามีสติไหม <c oughs> อดทนไหมนะชิดอย่างเดียวเพราเราไปทาบุญค่ะ <c oughs> ขอบคุณเจ้าค่ะแล้วอย่าไปเที่ยวกินอะไรสเปซสะปะนะ นมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเคยให้การบ้านว่าให้ไปเจริญเมตตาโดยเริ่มจากสิ่งที่เรารักก่อนแต่ยังทําไม่ทราบว่าต้องเริ่มยังไงอ่ะที่ทําอยู่ก็พอได้นะพยายามคิดถึงคนอื่นในแง่ดีอ่ะคิดอย่างนั้นเรื่อยๆคิดถึงคือคนโบราณมันมีมคําอยู่คํานึงนะเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้ว่าคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจเขามองเขา จากมุมของเขาเองไม่ใช่จากที่เรามองมองเขาด้วยเหตุผลของเขาเองทําความเข้าใจอะไรนะี้นะใจมันจะอ่อนลงความโกรธแล้วลดลงแต่บางครั้งพอยิ่งคิดแล้วมันฟุ้งแล้วมันจะโมโหมากขึ้นค่ะเอา <laughs> แล้วมันจะก็ฟุง้งฟุ้งมากขึ้นเหรอค่ะถ้าฟุ้งมากก็ต้องบริกรรมเอา แต่การแผ่เมตตาเนี่ยที่พยายามทะนะมีผลนะไม่ใช่ไม่มีจิตสว่างขึ้นไหมดุจไหมรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นค่ะใช่มันได้ผลแล้วนะที่ว่าไม่ได้ผลนะ่ะงั้นไปทําอีกแต่ว่าเห็นโทสะมันแรงขึ้นทุกวันอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน ะ, จะเจริญเมตตาไปเรื่อยๆอะนะมีโทสะขึ้นมาก็อย่าไปเกลียดมันก็รู้มันไปเรื่อยสมาธิเราดีขึ้นนะ เราก็เลยเห็นกิเลสได้ชัดเจนขึ้น<ช>นั่นแหละดีการเจริญเมตตาอีกขอบคุณค่ะเพราะว่าผลของการเจริญเมตตาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาขณะนี้นะคือหนึ่งสมาธิเอาเยอะขึ้นเห็นไหมสมาธิเราเยอะขึ้นแล้วแล้วเรามีสติเรารู้ทันกิเลสได้ได้ชัดเจนขึ้นแล้ว เ, เห็นโทสะขึ้นมานะเราอยากทําทอย่างเดียวก็คืออย่าให้โทสะครอบงําใจจนผิดศีลเท่านั้นแหละ ขออีกคำถามหนึงค่ะรู้สึกว่าจิตผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมากเกินไปค่ะก็เมตตามันนะแต่อย่าไปรักผูกพันนะค่ะรู้สึกว่ารักมันมากมากไปหรือเปล่าคะคือถ้ารู้สึกเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันแนละ้วก็คือยึดมันนะถ้าเรายึดอะไรเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นแนะ่ะแต่ถ้าเราเมตตานะความเมตตาเนี่ยเป็นทางบวกเป็นกุศล น, นะความยึดถือผูกพันเนี่ยเป็นอกุศล กุสลกับอกลเนี่ยใกล้กันมากเลยอย่างเรามีลูกเราเมตตานะอยากให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วเราก็รู้สึกนี่ลูกของเราเนะนี่ก็กลายเป็นอกุศลไปหรือเห็นคนเขาลาบากไปแนะนำก็ทำอย่างนี้สิจะได้ไม่ลำบากเขาไม่เชื่อก็โกรธเข า, เรเขานะการุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เป็นกุศลโทสะเป็นอกุศ ล, ลจิตมันจะพลิกงั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตไปนะ เรามีความรู้สึกต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยด้วยความเมตตาหรือว่าด้วยราคะถ้าเรารู้ทันเนี่ยราคะก็จะดับไปสาธุนกมัสการครับอนะาจารย์นะเออผมมีคําถามอืมคําถามหนึ่งถามอาจารย์ว่าคือครั้งก่อนเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าให้ผมไปเดินบรรัญญาแต่ผมนะไปเดินบรรัญญาเริ่มเดินบัญญาได้ปรากฏว่าไปเดินแล้วมันว่างอื ไม่มีอะไรเลยก็เลยปฏิบัติมานานพอสมควรนะฮะถ้าถ้ามันว่างนะงมาดูร่างกายนี้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเรานะดูเข้าไปอย่าให้มันนิ่งว่างๆวาง่วางเฉยๆได้สมาธิมีแต่ความสุขนะครับมาดูกายให้เยอะขึ้นพระอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมครนะคือถ้าถ้าจิตมีสมาธิมากเนะี่ยให้ดูกาย ถ้าจิตสมาธิน้อยเนี่ยจิตก็จะแฝงไปแฝงมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างนี้เราก็ดูจิตได้ะแต่ถ้าจิตนิ่งจิตว่างให้ดูกายไว้เลยดูกายไปเลยนะครับไมจะเห็นทุกข์ขอบคุณพระอาจารย์นะของโยมดีนะสมาธิใช้ได้แล้วดีครับธรรมสการหลวงพ่อสิค่ะส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะแป๊บหนึ่งนะโยมผู้ชายเนี่ยรู้สึกไหมกายกับใจเป็นคนละอัน ขันน่าแยกนะขันมันแยกแต่เราอย่าให้จิตไปค้างในความว่างถ้าไปว่างก็ดูกายเลยให้เห็นมีแต่ก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลยทีละส่วนทีละส่วนดูไปเรื่อยอธวายการปฏิบัตินะคะก็คือโดยจริตเนี่ยเป็นคนคิดมากค่ะและเป็นพวกรักสุขรักสบายค่ะวิธีที่ใช้ก็คือการดู ดูใจดูอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ว่าดูกายไม่ชัดนะเจ้าค่ะดูกายกไม่ได้ก็ดูใจค่ะมีวิหารธรรมคือลมหายใจแล้วก็ลมหายใจนั่นแหละกายค่ะแต่ว่าไม่ไม่เคยส ง, งบป่ะเจ้าค่ะไม่ต้องส ง, งบก็ได้นะรู้ลมหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่านจิตสุกรู้ว่าสุขจิตทุกรว่าทุกฟุ้งมากก็รู้ฟุ้งน้อยก็รู้นะเดี๋ยวม่ก็หยุดฟุ้งก็รู้อีก อย่าไปเพ่ง <ฮะ S 1> นี่ไปรวบมันเข้ามาแล้ใช่จ้ะค่ะนี่กดไหมกดจ้ะค่ะเดี๋ยวไปกสดสิด้วยด้วยจริตเป็นคนที่คิดมากนะสุขารเวลาปฏิบัติก็จะสงสัยตลอดว่าที่หลวงพ่อพูดว่าสติเกิดอัตโนมัตินั้นเป็นยังไงคือถ้ามันอยากคิดนั้นก็พามันคิดแต่เรื่องที่คิดนะคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึงทานคิดถึงศีล คิดถึงความสงบของจิตใจนะคิดถึงคนดนะีคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอนะไรเนี่ยคิดถึงความตายนะถ้าใจชอบคิดก็พามันคิดเลยจะคิดอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละเด <Okay. S 1> ี๋ยวมันจะสงบเองค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็เกือบประสบอุบัติเหตุอย่างแรงอ่ะนะเจ้าคะ่ะ mm hmm. ขณะนั้นก็เปิดซีดีของหลวงพ่ออยู่เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนขับขับรถเร็วเจ้าคะ่ะ แล้วขณะนั้นก็มีรถตัดหน้ากระทันหันในระหว่างนั้นหนูไม่เห็นความเป็นตัวเองในการขับรถนะเจ้าค่ะเห็นสติเกิดอัตโนมัตินั่งนั่งขึ้นมาแล้วมีติดผู้รู้เป็นผู้ดูอยู่เฉยเห็นร่างกายใจเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้ผลจากอุัติเหตุครั้งนั้นนั่นแหละเห็นผลของเราที่เราฝึกนะเป็นอย่างนี้เยอะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยชอบขับรถเร็ว อันนี้หนูเห็นจริงๆหรือว่าหนูคิดเอาต่อหาเห็นจริงๆแล้นั้นคิดไม่ทันแล้วใช่ต่อหาหลวงพ่อตอนเป็นโยมมีนะขับรถไปแล้วไปจะไปดูนกปากห่างนี่ไม่เคยเจอสะพานบ้านนอกหัวตัดตัดอ่ะเราวิ่งมาเต็มที่เลยนะชนโป้งนะ่อยเลยสี่ล้อเนี่ยลอยกลางอากาศหัวชนเหตดานรถเลยมองเราไปข้างล่างนะถนนหักนี้เลยโค้งหล่ออยู่ข้างหน้า ไม่ตกใจสักนิดเลยนะเหยียบเบรกกากาะเต็มเหนี่ยวเลยเหนะยียบเบรกชนกรทั่งเครื่องมาแทบจะดับเลยแล้วหล่นลงมาคโครมดีรถไม่พังนะพอลงมาแล้วมันก็ไหลไหลมันก็ถึงโค้งก็เลี้ยวเนะนี่ยสติน ะ, ะฝึกให้ดีแล้วก็เวลาจวนตัวเนะียสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดเห็นแม้มันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยได้สมาธิอัตโนมัตินะแล้วมีสติเห็นไหมไม่ใช่คโครมนะ จิตตกใจถอดออกเกีร่างหรือกรีดขาดสติกรีดแทนที่จะเหยียบเบรค ก, ก็เหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยน่นฝึกเอาไว้ดีอย่างนั้ น, นแหละจำไว้นะอย่าขับรถเร็วคล้วเจ้าค่ะแล้วก็รอดอุบัติเหตุมาค่ะได้ก็สามคันนะคะที่รอดทุกคนกเจ้าค่ะอแล้วก็พอเห็นว่าสติมันไวขึ้นนะเจ้าค่ะด้วยการงานเนี่ยต้องกระทบกับอารมณ์คนทั้งวันเลยเจ้าค่ะอื ช่วงหลังๆ เ, ออเหมือนทําในรูปแบบไม่ได้เหมือนมันสะบักสะบอมนะจ๊ะค่ะกลับไปแบบเหมือนเราจะพักผ่อนทำตั้งแต่เชา้าตื่นนอนไวขึ้นหน่อยแล้วทําในรูปแบบกินข้าวกลางวันแล้วก็ทําในรูปแบบเราทําในรูปแบบหลวงพ่อก็ทํานะแต่ก่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วไปเดินทํางานอยู่ในธรรมเนียมเดิน ไ, <ป S 1> <ๆ S 2> ไปวัดเบญจ่าบ้างวัดโสมบ้างไปถึงก็เดินกลับจริงๆเดินจงกรม น้นเราทํานะแต่ตกข้ามเราอยาภาวนาไหวถ้าทั้งวันสะบักสะบอมเลยไม่ได้ทําเลยตกข้ามก็สลบนั่งทําไม่ได้จริงไม่มีแรงปีนี้สอบผ่านหรือสอบตกตัวคะสอบได้สอบได้อาธิค่ะปีหน้าต้องมาสอบอีกนะ<า>ขับรถให้เร็วนั่ง น, นะสาธุในธรรมครับเออผมเกิดมาปีนี้อายุที่ ห้าสิบหกปีผมไม่รู้ตัวเองตอนปีที่ห้าสิบสี่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่แรกๆมาเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยอืดีดีที่รู้นะพุทธศาสนาเนี่มันอยู่ตรงไหนบุตต่านี่ผมว่านะอืหลวงพ่อบอกว่าให้มาดูกายมาดูใจดูมผมก็เลยลองมาดู ด, ดูดูเล่นๆน่ะอืมไม่รู้จริงรอ่ะดูเล่นๆเฉยอื แค่มาดูว่ากายมีอะไรอ๋อกายเนี่ยมีธาตุสีนะโอ้มันมีนบี่น้ําลมไฟนะกายมีธาตุสีแล้วมาดูธาตุธาตุเนี่ยธาตุสีเนี่ยธาตุสีเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายไก่เนี่ยมันก็อยู่ในของธาตุของธาตุสีเหมือนกันอยู่ในลักษณะของธาตุดินน่ามาดูในลักษณะของธาตุน้ําเนี่ยดินก่อน เอาดินก่อนเนี่ยโดยเบสิกพื้นฐานของธาตุดินเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเบสิกพื้นฐานของมันนี่ก็มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้ว <m> ทีนี้ไอ้ตัวร่างกายนี่เบสิกพื้นฐานของมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเหมือนกันมาดูธาตุน้ํานา้ํำก็เหมือนกันพวกน้ําเลือดน้ําหนองน้ำลายพวกเนี้ยเอ า, อางี้นะโยม เราฝึกที่ฝึกแยกอย่างนี้ดีแล้วนะต่อไปนี้รู้ทันอีกการถ้าจิตเราเคลื่อนเรารู้นะจิ ต, ลลรตเราไหลไปจนว่าเราเราคิดถึงธรรมะจิตเราไหลไปคิดธรรมะเนะี่ยรู้ทันจิตอีกเราจะได้สมาธิอีกแบบหนึ่งขึ้นมาแล้วคาราวนี้ขันต่างๆธาตุต่างๆนีทท่จะกระจายออกกระจายต่อนหน้าต่อตาเลยมันแต่ปฏิบัติอยู่บ่อยๆเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าครับ คือมันพยายามที่จะตอบถามกันอยู่เรื่อยๆนะครับสอบถามก็ได้นะแต่ว่าเวลาใจลอยไปเอ้ยพอพอรู้สึกตัวงี่เงี่ดใจลอยนะมันมันมันขับไม่ได้นะโยมเคยดูตัวเนี้ยตรงที่ใจมันจะพูดนะเรารู้ทันครับัใจมันพูดครับเอไม่งั้นใจมันจะไหลไปด้วยมันจะลืมตัวเองเวลาเราพูดธรรมะเนี้ยใจมันจะเคลิมไปกับธรรมะสมาธิต้องมากพอ ถ้าสมาธิเราไม่พอเนี่ยมันตรงที่เราหัดแยกขันแล้วเนี่ยมันจะไปเจอวิปัสสนูตัวหนึ่งใะวิปัสสนูตัวเนี้คือใจเที่มันจะเคลิมไปในธรรมะเพราะฉะนั้นสมาธิเราต้องพอหมายถึงใจต้องตั้งมั่นพองั้นต่อไปนี้เวลาที่ใจมันอยากพูดธรรมะนะให้รู้ทันนะใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามันจะเห็นมันอยากจะพูดนะใจมันอยากจะพูดผมเนื่องากผมปฏิบัติเอาไว้ผมก็แต่งก่อนเอาไว้ด้วย พอปฏิบัติเสร็จแล้วก็แต่งก่อนเอาไว้ด้วยว่ามีมีสามก่อนนะครับไม่ไม่ทันนะให้คนอื่นนยก็แล้วกันขอบครับนิยมแต่งเก่งๆแต่งเท่ารามมาเกียรติเลยแย่เลยขอบคุณครับกับนวัตการมของพ่อครับจริงๆแล้วผมวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาส่งการบ้านหรอกครับพอดีมีคนเขาเมตาย่อน ชื่อไว้ให้อืไหนๆก็ได้แล้วนะครับแล้วแต่กําจัดสรรเนาะครับคือตลอดมานี่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีหลงตเลิดเปิดเฟิงไปเรื่อยนะครับเราเลยไม่คิดว่าเป็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิดรู้ไหมก็เคยเห็นครับนะให้กันบ้านนะครับต่อไปเนี้ยไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดนะให้คอยรู้บ่อยๆโทสะเกิดก็รู้นะโลภะเกิดก็รู้นะดูใจของเราอยู่แค่เนี้ย รู้ทันกิเลสทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจรู้เฉยเฉยไม่ไปยุ่งกับมันนะนะไปฝึกอย่างเนี้ยฝึกให้มากๆอ่ะต่อไปนี่ครับนิมัการหลวงพ่อค่ะไม่ทราบว่าที่หนูรู้นี่หนูรู้แบบหลงหรือว่าหนูรู้จริงอะค่ะรู้รู้ไปก่อนนะใจมันอ่อนไปใช่ไหมคะเพราะหนูเหมือนไม่ค่อยมีแรงมันไม่มีแรงนะแต่ว่าเคยเจอภาวะหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อที่ ที่เหมือนเห็นเขาทํางานเองแล้ะเราทําอะไรไม่ได้เลยเราาทํไไม่ด้ขณะขับรถเจ้าค่ะเหมือนมันคลิกๆแล้วมันก็สว่างหนูไม่แน่ใจว่ามันสว่างเองหรือไฟรถข้างหน้ามันเข้าตาหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่เหมือนมันไม่สมบูรณ์นะคะหนูก็เหมือนกับลิงอ่ะอะไรวะอะไรวะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จบไปซะก่อนของหนูเนี่ยมีจุดอ่อนนั้นเดียวแหละถ้าสมาธิหนูพอนะขัดมันก็แยกมันก็เดินปัญญาต่อได้เลย เนีสมาธิไม่พอนิธีก็คือต้องทํากรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมานะอย่าพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พอจิตมันหนีไปคิดแล้วรู้บ่อยๆไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามห้ามหนีนะหนีก็ได้แต่ว่าหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ไปฝึกตัวนี้ให้มากสมาธิมันจะเพิ่มมันก็เหมือนจะรู้นะคะแต่มันเหมือนรู้ลงหลงนะใจมันล่องรอยไปหลงหลงใจมันล่องลอยรู้แบบหลงหลงนะคะงันน่าจะไดค่ะ ครับวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมและฟังการส่งกันบ้านมาครบถ้วนแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในสาลาลุงชินกล่าวคําถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขรับพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตราบสิ้นกาลลนานเทินยะถ า, าวะริวหาภุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุกปการปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิฉัตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฉัตุสัพโรคโครวินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทนาศลิสนิจังวุทาปจายิโนจ ต, ตารโรธรมาวทันเตียอายุวันโนสุขังพะลังสาุ